อนาปติวานพิกุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1 0 5 7 1. พิกษพุนีไม่ไปรับโอวาทในเมื่อมีอันตรายสองพิกุนีแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้พิกุนีเป็นเพื่อน 3. พิกุนีผู้เป็นไข้สพิกุนีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. พิกุนีวิกลจริต 6. พิกุนีต้นบัญญัติสิบคาบทที่8จบ